บทที่5เป้าหมายในการบริหารเวลาเราไม่สามารถกำหนดความยาวของชีวิตได้แต่เราสามารถกำหนดความกว้างความลึกและความสูงของมันได้น่าเสียดายที่คำกล่าวอันคมคายและลึกซึ้งข้างต้นนั้นไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้เขียนแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครสำหรับผมแล้วเขาคือคนที่เข้าใจชีวิตได้อย่างดีมากคนหนึ่งใช่แล้วครับไม่มีใครในโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ที่สามารถกําหนดได้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้นานเท่าไรสามสิปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิปีเจ็ดสิปีหรือ90สปีไม่มีใครรู้ไม่มีใครบงการควบคุมได้ถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปที่สุดก็อาจกล่าวได้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่สามารถจะกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าในวันใหม่ลมหายใจของเขายังคงอยู่เช่นวันที่ผ่านมาหรือไม่สิ่งนี้เป็นข้อคิดเตือนใจว่าเราไม่สามารถใช้เวลาในชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายได้เพราะเราไม่รู้ว่านาฬิกาชีวิตของเราจะหยุดเดินลงเมื่อไหร่และเมื่อเวลานั้นมาถึงสิ่งที่เราคิดหวังอยากจะทำในชีวิตก็ไม่อาจทำได้อีกต่อไปเราจึงต้องใช้เวลาในชีวิตอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบและอย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้สิ่งที่มีคุณค่าทุกสิ่งที่เราปรารถนาจะทำในชีวิตตกหล่นขาดหายไปแม้สักสิ่งเดียวแม้ว่าเราจะไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมมิติของชีวิตด้านความยาวได้แต่เราสามารถกำหนดหรือควบคุมมิติของชีวิตด้านอื่นๆได้นั่นคือความกว้างความลึกและความสูงชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ก่อเกิดคุณค่าแก่คนอย่างกว้างขวางมากมายอย่างลึกซึง้งและอย่างสูงส่งเพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้เวลาใช้ชีวิตในโลกนี้ของเราว่าเป็นไปอย่างมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรและนั่นย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเวลามากน้อยขนาดไหนและเรามีเป้าหมายในการบริหารเวลาบริหารชีวิตเพื่ออะไรการทำอะไรอย่างมีเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป้าหมายคือแรงบันดาลใจที่เป็นพลังกระตุ้นให้เราบุกฟันฝ่าไปให้ถึงจุดหมาย ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือเป้าหมายนั้นต้องเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องดีงามเป็นเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายล้างเมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการบริหารเวลาผมมีทัศนะตว่าเราควรมีเป้าหมายในการบริหารเวลาบริหารชีวิตของเราเพื่อทําเป้าหมายในชีวิตให้สำเร็จคงเป็นเรื่องน่าเศร้าถ้าหากเรายือนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลาโพงอย่างเคว้งคว้างเพราะไม่รู้ว่าตนเองกาลังจะไปที่ไหนเหนือใต้ ออกตกหรือตะวันออกเิงเหนือเชียงใหม่สุงไหงโกลกชนบุรีปราจีนบุรีหรือกาญจนบุรีก็ไม่รู้ได้แต่ยืนหันรีหันขวางมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาไม่รู้ว่าตัวเองจะไปที่ไหนและเพื่ออะไรหลายคนก็มีชีวิตที่ไม่ต่างจากนี้ไม่มีเป้าหมายขาดจุดมุ่งหมายในชีวิตไม่รู้ว่าจะพาชีวิตตนเองไปที่ใดเพื่ออะไร ชีวิตที่ดำเนินอยู่จึงขาดทิศทางขาดแรงจูงใจในการใช้เวลาอย่างดีที่สุดได้แต่ค่าเวลาในชีวิตให้หมดไปวันๆด้วยการทำสิ่งต่างๆที่มีคุณค่าบ้างไม่มีคุณค่าบ้างสร้างความสับส น, นวุ่นวายให้กับชีวิตตนเองและคนรอบข้างเป็นบางครั้งคราวชีวิตที่ขาดเป้าหมายเป็นชีวิตที่น่าเบื่อนายไม่ต่างอะไรกับนักฟุตบอลที่เตะเลี้ยงลูกฟุตบอลไปโดยไม่รู้ว่าประตูอยู่ที่ไหน ไม่ต่างอะไรกับเรือที่ลั่นไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่โดยไม่รู้ว่าจะพาเรือไปจอดที่ใดชีวิตที่มีเป้าหมายเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นเพราะมีสิ่งท้าทายให้ได้ใช้สติปัญญาความสามารถและความภาคเพียรอดทนเพื่อเอาชนะตลอดเส้นทางสู่เป้าหมายนั้น AF Whitney เด็กหนุ่มชนบทจาก Massachusetts ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นประธานบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งให้ได้เขาเริ่มต้นด้วยการทางานเป็นเสมียนประจาแผนกขายปลีก ของบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งเนื่องจากเขาต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้มากที่สุดเขาจึงอาสาตัวไปทํางานในแผนกขายส่งในช่วงพักอาหารกลางวันโดยไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มต่อมาเมื่อมีตําแหน่งในแผนกขายส่งว่างลงวิทนี่ก็ได้รับการบรรจุให้ทํางานในตําแหน่งนั้นเขาก้าวจากเสมียนสู่ตําแหน่งเซลแมนหัวหน้าแผนกผู้จัดการภาคและก้าวสูงขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปจนในที่สุด เขาก็ตระหนักว่าเส้นทางสู่การเป็นประธานบริษัทนั้นตีบตันเพราะประธานมีญาติพี่น้องสืบทอดตำแหน่งอยู่อีกหลายคนเขาจึงเปลี่ยนงานไปอีกหลายบริษัทแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเป้าหมายที่ตั้งไว้ในวัยหนุ่มในที่สุดวันแห่งความสําเร็จก็มาถึงเมื่อเขาได้ขึ้นเป็นประธานของบริษัท p e a Nut Packing ภายหลังได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Blue Moon Cheese ซึ่งต่อมาได้รวมกับบริษัท Draft เพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยไปวันๆแต่ได้บริหารเวลาในชีวิตอย่างดีที่สุดสุดความสามารถเพื่อพาตัวไปถึงปลายยอดของความฝันหากเขาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแจ่มชัดเขาคงขาดแรงจูงใจที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆบนเส้นทางที่ก้าวเดินมานั้นและคงจะหยุดชีวิตไว้กับความล้มเหลวเสียแต่กลางทางหากเราปรารถนาชีวิตที่ประสบความสําเร็จท้าทาย และเปลี่ยนล้นไปด้วยความหมายเราต้องวางเป้าหมายในชีวิตให้แจ่มชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรและเพื่ออะไรในชีวิตนี้และวางแผนบริหารเวลาอย่างดีที่สุดเวลาแต่และช่วงของวันของสัปดาห์ของเดือนของปีของชีวิตเราจะต้องทำอะไรเพื่อสนับสนุนให้เป้าหมายนั้นไปถึงความสาเร็จเช่น เราจะต้องใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนช่วงใดมากเท่าไหร่ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงไรเรียนรู้งานใหม่ๆจากใครเมื่อใดต้องศึกษาเพิ่มเติมสาขาใดบ้างและจะใช้ช่วงเวลาใดจึงจะดีที่สุดหากเรามีเป้าหมายและมุ่งมั่นทุ่มเทบริหารเวลาบริหารชีวิตอย่างดีเลิศเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเราจะพบว่ายิ่งวันเวลาผ่านไปเป้าหมายนั้นจะยิ่งเติบโตแจ่มชัดขึ้นทุกที เพราะว่าเรากำลังก้าวเดินเข้าไปใกล้เป้าหมายยิ่งขึ้นทุกขณะและในที่สุดเราก็จะไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายได้อีกต่อไปนั่นเพราะจุดที่เรายืนอยู่กับจุดที่เป็นเป้าหมายกลับกลายเป็นจุดเดียวกันไปเสียแล้วและนั่นย่อมหมายถึงความสำเร็จที่มุ่งหวังและความเพลิดเพลินอย่างล้นเหลือสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวเพิ่มเติมคือถ้าหากเป้าหมายนั้นไม่เพียงแต่เป็นเป้าหมายที่ดีสำหรับตนเองแต่เป็นเป้าหมายที่สูงส่งเพื่อผู้อื่น เพื่อสังคมและเพื่อมนุษยชาติในโลกแล้วความสําเร็จแห่งเป้าหมายนั้นจะยิ่งนํามาซึ่งความปลื้มปิติความอิ่มเอิมภาคภูมิใจยอย่างล้นเหลือคนาด น, นับจนเกินกว่าที่จะบรรยายเป็นถ้อยคําได้ผู้ที่ไม่ได้ยึดถือตนเองเป็นจุดศูนย์กลางผู้ที่มีจิตใจแห่งการให้และเสียสละอย่างจริงใจเท่านั้นจึงจะสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกเช่นนี้ได้ผมได้ฝากข้อคิดนี้ไว้ในหนังสือข้อคิดเพื่อชีวิตของผมว่า เราควรใช้ชีวิตของเราอย่างมีคุณค่าสูงสุดคือให้ความเสียสละนั้นได้เข้ามาจันลงใจของเรายกระดับคุณธรรมในจิตใจของเราในฐานะผู้ให้และผู้สร้างสรรค์สังคมและมีค่านิยมของชีวิตที่ลึกซึ้งไปกว่าเพียงความอยู่รอดเราควรมีเป้าหมายในการบริหารเวลาบริหารชีวิตของเราเพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงบางครั้งความล้มเหลวก็ปลอมตัวเข้ามาในรูปโฉมของความสาเร็จ และมันทําได้แนบเนียนมากจนบางคนกอดความล้มเหลวไว้ทั้งชีวิตโดยเข้าใจผิดคิดว่ามันคือความสําเร็จข้อความข้างต้นผมยกมาจากหนังสือข้อคิดเพื่อความสําเร็จของผมเป็นข้อคิดหนึ่งที่อยู่ในหมวดบทสรุปแห่งความสำเร็จของหนังสือเล่ม น, นี้ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้สังเกตชีวิตของหลายๆคนที่แม้ภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นเจ้าของเครือบริษัทหลายแห่ง มูลค่ารวมของธุรกิจนับพันนับหมื่นล้านมีคฤหาสสวยหรูหลายหลังหรือเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจขับเมืองไปไหนมีแต่คนคอยให้เกียรติพินอพิเทาแต่ฉากหลังชีวิตคือความเศร้าหดถูในจิตใจเพราะต้องต่อสู้กับจิตสำนึกผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของตนเองเนื่องจากเขารู้แก่ใจว่าสิ่งที่ตนทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไร้คุณธรรมเอารัเอาเปรียบผู้ด้อยกว่าในสังคม หรือบางรายอาจหนักไปถึงขั้นทำลายทำร้ายผู้อื่นบางรายต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อต้องการสร้างอาณาจักรของตอนให้ยิ่งใหญ่เหนือใครบางรายต้องแอบนั่งร้องไห้คนเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหาความแตก้าวในชีวิตครอบครัวได้อย่างไรดีบางรายลูกกลายเป็นนักเลงหัวไม้เที่ยวก่อเรื่องวิวาทตีรันฟันแทงให้ต้องปดหัวอยู่เป็นประจำบางรายเนื่องจากมีภรยาหลายคนจึงต้องคอยจัดการไล่ไกลเกลีย่ย ให้เรื่องบาดหมางระหว่างภรรยาหลวงกับอนุต่างๆอย่างหาความสุขสงบใจไม่ได้เลยคนหนึ่งได้กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่าประเภทหนึ่งของคนล้มเหลวคือผู้ที่ตลอดชีวิตวิ่งไล่ขวายค ว, ว้าอะไรไม่ได้เลยนอกจากเงินเขาต้องกลายเป็นคนล้มเหลวก็เพราะว่าเขามีปรัชญาการดําเนินชีวิตที่ผิดคิดว่าเงินคือคําตอบความสุขความพึงพอใจสูงสุดของชีวิตซึ่งบริหารเวลาในชีวิตอย่างผิดผิด พุ่มเทเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของชีวิตให้กับการรวบรวมเงินที่มีอยู่มากมายในโลกมาเป็นของตอนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาได้สละสิ่งที่มีค่าหลายสิ่งไปไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพแท้ความสุขสงบของชีวิตครอบครัวความภูมิใจและการยอมรับนักถือตอนเองสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ความสุขความอิ่มเอมใจสาหรับปรัชญาการมองความสาเร็จของผมนั้น เป็นไปตามข้อคิดหนึ่งในหนังสือข้อคิดเพื่อความสำเร็จของผมว่าเพชรเลอค่าคือเพชรที่ไร้ตำหนิความสำเร็จที่ทรงคุณค่าคือความสำเร็จสมบูรณ์ทุกด้านทั้งด้านลักษณะชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์การทำงานและการเอื้อประโยชน์ต่อสังคมนิยามความสำเร็จในอีกแง่มุมหนึ่งของผมก็คือการที่เราได้ใช้สักลภาพความสามารถสติปัญญาทรัพยากรทุกอย่างที่เรามีอยู่ทั้งหมดอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อตนเองบุคคลที่รักและสังคมตลอดจนถึงมนุษยชาติในโลกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตฉะนั้นในมุมมองปรัชญาของผมใครๆก็สามารถที่จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นชาวนานักการเมืองนักธุรกิจข้าราชการนักวิชาการนักการตำรวจทหารหรือพ่อค้าแม่ค้าเพราะเป็นความสําเร็จที่ไม่ได้วัดด้วยเงินเกียรติยศ ตำแหน่งหน้าที่หรือชื่อเสียงแต่วัดด้วยคุณค่าที่แท้จริงภายในชีวิตของแต่ละคนซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขาจะบริหารเวลาบริหารชีวิตของตนไปในทิศทางใดหากเราจะพิจารณาให้ดีจะพบว่าเราแต่ละคนนั้นมีบทบาทหน้าที่ต่างๆไปคนละหลายๆบทบาทในขณะที่คนหนึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้จัดการบริษัทเขาก็มีบทบาทในการเป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นพ่อเป็นลูก เป็นพี่น้องเป็นพลเมืองของชาติเป็นสมาชิกของชุมชนเป็นหนึ่งในประชากรของโลกและเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่หรือในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีบทบาทเป็นครูก็มีบทบาทการเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องเป็นภรยาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านเป็นพลเมืองของชาติเป็นสมาชิกของชุมชนเป็นหนึ่งในประชากรโลกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลด้วยเช่นกัน การที่เราจะวัดว่าคนหนึ่งเป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่จึงไม่ได้สามารถวัดกันที่การทําหน้าที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่งเท่านั้นแต่สมควรที่จะต้องวัดกันที่ทุกบทบาทที่เขามีว่าเขาได้ประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่ตามบทบาททั้งหมดในชีวิตหรือไม่หากทําสําเร็จได้เพียงบทบาทใดบทบาทหนึ่งขณะที่ล้มเหลวในบทบาทอื่นๆนั้นย่อมไม่อาจเรียกว่าความสําเร็จของชีวิตได้อย่างแท้จริง ไม่มีใครปีนบันไดความสําเร็จขณะที่มือทั้งสองข้างสุกอยู่ในกระเป๋าคากล่าวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับคํากล่าวที่ว่าไม่มีความสําเร็จใดที่ได้มาง่ายๆทุกอย่างต้องอาศัยความมุ่งมั่นอุตสาหะทุ่มเทยอย่างเอาจริงเอาจังการที่คนหนึ่งจะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริงด้วยการประสบความสําเร็จในทุกบทบาทหน้าที่ของตนก็เช่นกันจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาความมุ่งมั่น เอาจิงเอาจังในการบริหารเวลาชีวิตอย่างมีวินยัยควบคุมตัวเองอย่างเต็มที่สุดกาลังความสามารถทุกขณะจิตจึงจะสามารถพิชิตเป้าหมายอุดมคติอันสูงส่งในชีวิตได้หากเราต้องการจะเป็นผู้หนึ่งที่กล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเราคือผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตเราจำเป็นจะต้องตระหนักและเอาใจใส่ในการบริหารเวลา บริหารชีวิตของเราอย่างจริงจังจะต้องมีเป้าหมายในการบริหารชีวิตที่ชัดเจนและวางแผนสู่เป้าหมายนั้นอย่างละเอียดทั้งในระยะสั้นระยะยาววางตารางเวลาในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์และแต่ละช่วงของชีวิตว่าควรจะทำอะไรในช่วงเวลาใดจึงจะส่งเสริมการมุ่งสู่เป้าหมายได้มากที่สุดเวลาใดจะต้องเรียนเวลาใดจะต้องพักผ่อนออกกาลังกาย เวลาใดควรจะเข้าห้องสมุดค้นคว้าเวลาใดควรจะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเวลาใดควรจะเข้าไปสู่หลักสูตรเรียนเพิ่มเติมทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เวลาใดควรจะใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวผมอยากจะฝากข้อคิดสําหรับผู้ที่อ่านและปรารถนาความสําเร็จที่แท้จริงในชีวิตว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าเพียงพอกับการมุ่งมั่นผลักดันตนเองสู่ความสําเร็จนั้น จะต้องเป็นคุณค่าที่มากกว่าการกระตุ้นร้าวจากเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่หรือความสะดวกสบายในชีวิตเราควรมีเป้าหมายในการบริหารเวลาบริหารชีวิตของเราเพื่อจะทำงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพผมเป็นคนที่มีปรัชญาในการทำงานอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดต้องทำให้ดีเลิศคำว่าดีเลิศของผมนั้นครอบคลุมถึงสองความหมาย นั่นคือคุณภาพดีเลิศและประสิทธิภาพดีเลิศผมมีความเชื่อมั่นว่าหากเรามีปณิธานในการทำงานว่าทุกอย่างที่เราคิดที่เราลงมือกระทำที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเราจะทำอย่างดีเลิศที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ภายใต้ขอบเขตความจำกัดของปัจจัยต่างๆที่เรามีอยู่เราจะทำให้สมบูรณ์ที่สุดแม้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและใช้พลังงานทรัพยากรเวลาน้อยที่สุด โดยยังคงทําให้ได้ผลงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งก็หมายถึงการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองหากเรามีความตั้งใจและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทําให้ได้เช่นนี้ความสําเร็จในหน้าที่การงานย่อมอยู่ไม่ไกลอย่างแท้จริงโดยทั่วไปคนมักจะทํางานในระดับเกณฑ์เฉลี่ยเท่านั้นทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพควรที่ทํางานในความรับผิดชอบอย่างดีเลิศที่สุด จึงมักจะได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเขาจึงมักจะเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นขึ้นมาเหนือคนอื่นๆและเป็นผู้ที่คว้าความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปครอบครองในที่สุดผมนึกถึงคำกล่าวหนึ่งที่ว่าความสำเร็จที่โดดเด่นนั้นล้วนสร้างขึ้นบนความสามารถที่จะทาสิ่งต่างๆให้เหนือกว่าเพียงคาว่าดีการที่จะทางานทุกอย่างให้ดีเลิศที่สุดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องอาศัยการบริหารเวลาที่ดีเพราะการบริหารเวลาที่ดีจะทำให้เรามีเวลามากพอในการวางแผนการทำงานอย่างดีละเอียดรอบคอบวางแผนการใช้เวลาทรัพยากรวิธีการดำเนินการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเวลามากพอในการปรับปรุงแก้ไขางานให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือเป้าหมายโดยรวมของการบริหารเวลาในการทำงานของเรา เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงสุดและมีประสิทธิภาพในการทํางานดีที่สุดผมอยากจะให้แนวคิดสําหรับเป้าหมายในการบริหารเวลาในการทํางานที่แยกย่อยลงไปอีกว่าเราควรจะมีเป้าหมายอย่างน้อยสามประการดังนี้เราจะต้องทํางานให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่มีอยู่ชายคนหนึ่งใช้ขวานตัดต้นไม้ในป่าทั้งวันเขาตัดต้นไม้ได้เพียงสิบต้นขณะที่เพื่อนๆคนอื่นๆของเขา ตัดได้โดยเฉลีย่ยคนละ 15-20 ต้นครั้นเขาสงสัยว่าทําไมเขาจึงตัดได้น้อยกว่าเพื่อนๆจึงบอกว่านั่นเพราะเมื่อเขามาถึงบริเวณที่ทํางานในตอนเช้าเขาก็คว้าขวานขึ้นฟันต้นไม้ในทันทีและทําอยู่อย่างนั้นจนสิ้นวันในขณะที่เพื่อนๆของเขาเริ่มต้นการทํางานได้การนั่งลับขวานให้คมกริบแล้วจึงเริ่มต้นตัดไม้ไปจนถึงเวลาเที่ยงพักหยุดรับประทานอาหารชั่วครู่แล้วก็รับขวานใหม่อีกครั้ง เพ่จะใช้ตัดไม้ต่อในช่วงบ่ายในขณะที่ตัวเขาเองเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็ออกเดินสำรวจป่าจนได้เวลาทำงานจึงกลับมาคว้าขวานขึ้นได้ก็ฟันต้นไม้ต่อทันทีตัวอย่างเรื่องนี้เล่าให้ข้อคิดเตือนใจได้ดีว่าในการทำงานใดๆเราควรจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมเสียก่อนโดยการคิดวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบว่าเราจะใช้วัสดุใดจะใช้วิธีการอะไร จะต้องวางตารางเวลาทำงานอย่างไรจะพักเวลาไหนจะต้องคอยตรวจดูเป็นช่วงๆอย่างไรทั้งนี้โดยมีเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นคือให้ได้ผลงานมากที่สุดภายในเวลาอันจำกัดโดยที่ใช้ทรัพยากรใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็นสำหรับการให้ได้มาซึ่งผลงานระดับนั้น ทั้งนี้รวมถึงการวางแผนใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วยโดยไม่ปล่อยเวลาทิ้งเรียร่าไปกับการอู้การถูกขัดจังหวะการผัดวันประกันพุ่งเราจะต้องทำงานให้ดีที่สุดในเวลาที่มีอยู่การพุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพเพลงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอแต่เราควรจะใส่ใจในคุณภาพของงานอย่างเท่าเทียมกันด้วยแม้ว่าเราอาจจะมีเวลาในการทางานแต่ละอย่างไม่เท่ากัน แต่เราสามารถที่จะบริหารเวลาในการทำงานแต่ละชิ้นให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดออกมาได้ถ้าเราตระหนักและมุ่งมันมากพอเริ่มต้นโดยการจัดสรรเวลาที่มีอย่างจำกัดนั้นด้วยสติปัญญาจะใช้เวลาในการคิดวางแผนงานนั้นมากเท่าไรเครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันจะต้องเรียงลำดับความสาคัญของกิจกรรมต่างๆที่จะทาจะต้องกระจายงานให้ใครทาบ้างจะมีวิธีการตรวจสอบการคุมงานอย่างไร จะต้องจัดสรรเวลาสำหรับการตรวจแก้ไขมากเท่าใดหลายครั้งทีเดียวที่งานหลายอย่างออกมาผิดพลาดหรือไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรโดยไม่ได้เกิดจากการขาดเวลาหรือมีเวลาน้อยจนเกินไปแต่มักเกิดจากการที่ไม่ตระหนักและมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพของงานมากพอจึงขาดการใช้เวลาการวางแผนทำงานอย่างเพียงพอได้แต่ทำไปเรื่อยๆไม่ได้ใส่ใจในการตรวจสอบคุณภาพเท่าที่ควรเมื่อใกล้เวลาส่งงานจึงรีบเร่งทำให้เสร็จ ผลงานที่ออกมาจึงไม่ได้งานที่มีคุณภาพดีเลิศอย่างที่ควรจะเป็นงานพิมพ์จึงมีคำผิดอยู่ประปรายแทบจะทุกหน้าแผนการตลาดจึงผิดพลาดบ่อยๆยอดขายจึงไม่เคยถึงเป้าข้อมูลจึงตกต ก, ตกลนอยู่เป็นประจำคนส่วนใหญ่จึงมักไม่ประสบความสำเร็จหรือความก้าวหน้าในชีวิตอย่างที่ต้องการแต่สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จความรุ่งเรืองในชีวิตแล้วพึงระลึกถึงคำกล่าวนี้ไว้เสมอความสำเร็จ คือการเรียงร้อยของการกระทําสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตให้ดีเด่นเหนือธรรมดาเราจะต้องทํางานให้ครบถ้วนทุกด้านทุกอย่างที่จําเป็นต้องทําผมเขียนข้อคิดหนึ่งไว้ในหนังสือข้อคิดเพื่อความสําเร็จว่าคนที่มีความรับผิดชอบวิ่งหนีความสําเร็จอย่างไรก็ไม่พ้นและอีกข้อหนึ่งว่าคนที่มีความรับผิดชอบจะไม่ทิ้งงานไปกลางคันแม้เป็นงานที่ตนเองไม่ชอบนัก ไม่ผัดวันประกันพรุ่งหรือทิ้งปัญหาไว้โดยคิดว่ามันคงจะหมดไปเองในชีวิตจริงบางครั้งเราจําเป็นต้องรับผิดชอบงานที่เราไม่ชอบเพราะขัดกับลักษณะทางธรรมชาติของเราเช่นไม่ชอบงานเอกสารงานที่เกี่ยวกับตัวเลขงานเขียนรายงานและเรามักจะมีแนวโน้มที่จะปล่อยแช่ ง, งานนั้นทิ้งไว้หรือทาพอให้มีส่งซึ่งจะไม่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราได้เลยบางคน เมื่อรับผิดชอบงานใดก็มักจะเลือกท่วมเวลาให้กับงานส่วนที่เหลือหรือถนัดเสียมากมายเพราะทําแล้วรู้สึกสนุกมีความสุขแต่ให้เวลากับงานประจําที่รู้สึกเบื่อหน่ายเพียงน้อยนิดหรือหลีกเลี่ยงเสียทำให้ภาพรวมของงานทั้งหมดออกมาไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องไปบางส่วนแท้จริงแล้วเราควรที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ ง, งานเสียใหม่โดยมองงานทั้งหมดในความรับผิดชอบเป็นภาพรวม ที่เราจำเป็นที่จะต้องต่อแต่ละชิ้นของงานเข้าไปให้ครบทุกชิ้นเหมือนการต่อภาพจิ๊กซอซึ่งจะขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปไม่ได้เลยเพราะจะทำให้ภาพนั้นขาดความสมบูรณ์เราจะต้องจัดสรรเวลาให้กับการทำงานแต่ละส่วนอย่างสมดุลและเพียงพอไม่หนักเอนไปส่วนใดส่วนหนึ่งจนเกินควรแต่ให้เวลามากน้อยตามความสาคัญของงานแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาพรวมของงานออกมางดงามสมบูรณ์ที่สุดอย่างสุดความสามารถเช่นรายงานของนักศึกษาต้องมีเนื้อหาเข้มข้นหนักแน่นไม่ใช่มีแต่รูปเล่มปกหรือภาพประกอบที่สวยงามเท่านั้นแผนการตลาดต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จำเป็นทุกชนิดไม่เพียงเน้นอยู่ที่การจัดงานใหญ่ๆหรือแผนงานโฆษณา เจ้าของกิจาการควรจัดสรรเวลาออกไปพบลูกค้าตัวแทนจำหน่ายบ้างไม่เพียงแต่นั่งรอรับไปสั่งสินค้าเพียงอย่างเดียวทั้งหมดนี้คือเป้าหมายหลักๆของการบริหารเวลาที่เราควรตระหนักและมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยปรัชญาความคิดของผมเกี่ยวกับเป้าหมายในแง่มุมของชีวิตว่าเราต้องบีบความสามารถออกมาใช้ประโยชน์ให้หมดเหมือนอ้อยที่เข้าเครื่องรีด ต้องรีดออกมาให้หมดมิฉะนั้นเราจะตายไปโดยยังเหลือสิ่งดีที่ใช้ยังไม่หมดครับ